ทรวัดสสวดมนต์มันก็เป็นการกล่อมกลาวให้จิตใจเราอ่อนนะให้จิตใจเราเยือกเยน็นมีอันนี้สงทั้งนั้นแหละ เราตั้งใจสวดใจเรามันทํางานอยู่กับการสวดเนี่ยใจมันก็สงบสงบสงัดจากกิเลสกิเลสมันไม่กวนมันไม่กวนใจเพราะใจเรามันมาทํางานมันมีงานให้มันทํามันมาตั้งใจสวด นอกจากว่าปากว่าไปใจก็นึกไปใจก็คิดไปเอออย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์ด อ, อกนะปากก็ว่าไปตามแต่มันจะจําใครไม่จําไม่มีคาสวดก็นั่งปล่อยใจล่องลอยไปอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์ด อ, อกอเพราะมันไม่ได้ตั้งใจสวด ไม่ได้ตั้งใจสวดคือไม่สวดเหมงนั้นเถอะทิ้งทีไหลเมื่อไหลก็คือไม่สวดไม่สวดมันก็ไม่เกิดประโยชน์ในขณะที่เราตั้งใจสวดถ้าเราตั้งใจสวดมันเกิดประโยชน์จิตมันสงบสงัดจากกิเลสมันเกิดประโยชน์ตรงที่มันสงัดจากกิเลสแล้วมัน เป็นการรำพึงรำพันระลึก ถ, ถึงบุญถึงคุณของพระพุทธเจ้าของคุณพระธรรมของคุณพระสงฆ์เป็นคุณอันวิเศษอบัตขึ้นมาเพื่อทำให้จิตใจของคนของสัตว์วิเศษอย่างอื่นไม่มีอะไรทําให้วิเศษดอกดังนนึกปรุงรูปทั้งวันนึกปรุงเสียงทั้งวัน นึกปรุงราคะตัณหาทั้งวันมันไม่มีอะไรวิเศษดอกมีแต่จะทําให้กามกําเริบมีแต่จะทําให้กิเลสกําเริบในหัวใจมันไม่มีอะไรวิเศษดอกอนั่งปรุงไปปรุงไปปรุงไปปรุงไปลองลองนั่งนึกปรุงเรื่องกามเนาะลองนั่งปรึกนึกปรุงดูนู่น เดือนแปดเดือนเนก้าเห็นไหมมากําลังคึกขนองอยู่ น, นั่นน่ะเหมือนกันแหละไม่ต่างอะไรกันเลยลองนั่งนึกปรุงเรื่องมันอย่างเดียวลองนั่งนึกดูปรุงดูมันไม่ต่างอะไรกับมันเลยแหละคําว่าปรุงก็คือเสริมมันเสริมมันเสริมมันเสริมมันะเสริมกิเลสตัณหาราคาน่ะลองเสริมลองนั่งปรุงนั่ ง, งเสริมมันดู มันไม่ต่างอะไรกับหมาแง่งแ ง, ง, ง่อยู่น่ะมันไม่ต่างอะไรกันดอกยิงคนนี่ร้ายกาศรุนแรงมากกว่าร้อยเท่าพันทวีคนน่ะมีการมีเวลาที่ไหนมนุษย์พวกไอ้พวกนี้เขายังมีเขายังมีวันเขายังมีเดือนของเขามันยังมีเดือนคึกขนองของเขาเลยอย่างนั้นไปแล้ว เขาก็หยุดไปโดยหลักธรรมชาติของเขาแต่มนุษย์เนี่ยทุกขณะลมหายใจยิ่งเสือไม่มันทเท่าไหร่น่ะ ย, ยิ่งทวีรุนแรงขึ้นนะไม่มีเพศไม่มีไว่ฟังแต่ว่าไม่มีเพศไม่มีไว้ลองนึกลองปรุงให้มันเสริมันดูไม่มีเพศไม่มีไว้ฆ่ากัน ฆ่ากันได้เกี่ยวข้องกันได้ปูุกพันกันได้ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเพศไม่มีวัยถ้าทิ้งศีลทิ้งธรรมนั่งนึกนั่งปรุงตะสิ่งเหล่านี้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ใจประเสริฐมิตรใจตกต่ำไปเรื่อยตกต่าไปเรื่อยถูกกามครอบ กิเลสตัณหาราคา น, นมันครอบกลายเป็นหัวใจของสัตว์ ม, มีอะไรหลงเหลืออยู่ละเราตั้งใจสวดใจมันสงบสงัดจากสิ่งเหล่านี้นั่นผลเกิดขึ้นตรงนั้นอานนี้สองเกิดขึ้นตรงนั้นความสุขภายในจิตมันพอจะมีความสงบมีความสุขอยู่บ้างสุขจากสงบสงัดจากตัณหาราคาเหล่านี้ เพราะไม่ได้เอาใจไปปรุงไปเสริมเอาใจมาปรุงเรื่องศีลมาปรุงเรื่องธรรมแม้แต่เราสวดมนตน์เราก็สวดบทบทที่เป็นธรรมทั้งนั้นอัน hmm. พุทธคุณอย่างเงี้ยธรรมคุณอย่างเงี้ยสังกคุณอย่างเงี้ยคุณของพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ที่เรามาสวดสวดกันนเนี่ยพุทธคุณเก้าธรรมคุณหกสังกคุณเก้า มีอะไรบ้างลองไปดูดูที่ท่านยกคุณยกคุณแท้ที่จริงคุณบุญคุณของพระเจ้าพระธรรมประสงค์เนี่ยหาค่าหาประมาณไม่ได้หาค่าไม่ได้หาประมาณไม่ได้ไม่มีค่าอะไรที่จะมาเทียบเท่าไม่มีประมาณอะไรที่จะมาเทียบเท่าแต่ท่านยกมาพอเป็นข้อใหญ่ใจความ ขอให้เราได้เป็นหลักได้ได้ระ ล, ลึกตามพุทธคุณเก้าเงี้ยธรรมคุณหกสังคคุณเก้าไม่มีประมาณถ้าเราจะไปแยกแยะเราจะไปขยายความไม่มีประมาณมุนคุณหาประมาณไม่ได้ ที่สำคัญก็คือบทธรรมะทั้งนั้นเลยเราจำเราจาได้ถ้าเราเข้าใจเรามาดนเป็นเนื้อหาของธรรมะทั้งนั้นแหละที่ท่นานปรณนายเฉพาะคุณสว่าขาโตพระวาตาธรมลพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบแล้วป็นเป็นคำรวมภาพก ว, ากว้าง ถึงธรรมะของครูที่เจ้าสวัสดาโต้พ ว, วตาธรรมโมนพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วสวัสดาร์าตธรรมสวัสดาตธรรมตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบแล้วตรัสไว้ถูกแล้วตรัสไว้ตรงแล้วตรงต่อหลักสัจธรรมตรงต่อหลังเอาถือ ตามประพฤติตามปฏิบัติตามพ้นจากทุกข์ได้พระธรรอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วคําว่าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบแล้วตรัสไว้ตรงแล้วก็คือตรงตามหลักสัจธรรมนั่นเองที่ว่าตรัสไว้ดีแล้วไม่ใช่เสกสรรว่าดีว่าดีไม่ใช่ไม่ใช่เสกสรรว่าดีอืพระธรรมแปดหมืนสีพันพระธรรมขันธ ชี้มาที่ไหนชี้มาที่ใจชี้มาที่ใจใจเป็นมหาเหตุใจเป็นต้นเหตุกิเลสเกิดขึ้นจากใจธรรมะเกิดขึ้นจากใจทุกทั้งหลายทั้งปวงผันหัวใจของสัตว์หมุนไปแบบไม่มีที่จบไม่มีจุดจบก็คือใจ ดูมาที่ใจของเราเราจะเห็นเห็นใจเห็นใจก็คือเห <c oughs> ็นผู้รู้ผู้รู้คือใจใจอยู่ตรงไห น, นใจอยู่ตรงไหนน้นนอมมาที่ตัวของเราเนี่ยใจอยู่ตรงไหนเมาค้นคว้า ด, ดูใจคืออะไรอยู่ตรงไหนธาตุรู้ของเราอยู่ตรงไห น, นผู้รู้ของเราอยู่ตรงไห น, นใจเป็นมหาเหตุเป็นมหามหาเหตุยังไง ใจเลิ่ดเลิ่ก็เพราะใจต่ำซามก็ต่ำซามก็เพราะใจใจมันต่ำซามเพราะอะไรเพราะใจอิสระเสรีอิสระเสรีตามอำนาจของกิเลสใจประเสริฐใจเลิ่เพราะอะไรเลิกประเสริฐตามอำนาจของธรรมใจมีศีลใจมีธรรมใจมีกรอบใจมีระบบระบบ มีกรอบมีขอบมีเขตมีกฎมีเกณฑ์บังคับตัวเองอยู่อย่างบังคับ บ, บังคับตัวเองใจมีธรรมธรรมะแปดหมือนสีพันระธรรมขันธ์เราจะรู้ได้เราจะเข้าใจได้เราจะเข้าถึงได้ต้องบังคับเข้าสู่ธรรมใจถึงจะมีธรรมได้ เช่นอย่างบังคับเข้าสู่ศีลเนี้ยศีลก็เป็นธรรมธรรมก็เป็นศีลนะศีลเป็นธรรมเป็นไงไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พระพุทธผิดในกรรมไม่พูดเท็จพูดอยาพูดซอเสียดเพื่อเชื่ไม่กินเหล้ามันไม่มีเวรมันไม่มีภัยมันไม่มีบาปมันไม่มีกรรมตามมาทําให้เราเร่าร้อนทําให้เราเดือดร้อน แต่ถ้าเราไม่มีศีลเราฆ่าเขาเดี๋ยวเขาก็ฆ่าเราลักของเขาเดี๋ยวเขาก็ลักของเราผิดลูกผิดเมียเขาเขาก็จะผิดลูกผิดเมียเราโกหกเขาเดี๋ยวเขาโกหกเราเราไปกินของมึนเมาเราก็ทาลายจิตของเราเองทาลายสติของเราเองทาลายสภาพจิตของเราเองนี่มันเป็น เป็นธรรมนี่คือความเป็นธรรมของมันความเป็นธรรมของศีลเจตนาเจตนานึกฆ่าสัตว์ไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมนึกคิดอยากฆ่าสัตว์ไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมเป็นมโนกรรม นึกคิดอยากรักของเขานึกเฉยๆยังไม่ได้ทำไม่ใช่ไม่ได้ใช้กายทำไม่ได้จวัไม่ใช่ไม่ได้ใช้วาจาพูดไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมเป็นมโนกรรมนึกอยากนอกใจผัวนอกใจเมีย นึกอยากนอกใจผัวนอกใจเมียนะผู้หญิงก็เห็นไในนมรูปหลอ่อผู้ชายก็เห็นได้สาวรูปงามเนี้ยนึกอยากนอกใจเมียไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมเป็นมโนกรรมดูที กรรมของเราเกิดขึ้นทุกระยะหรือเปล่ากายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมมันไม่ผิดศีลแต่มันผิดธรรมนึกอยากโกหกเนี่ยไม่ผิดศีลแต่ไม่ผิดธรรมนึกอยากกินเหล้าเนี่ยไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมเป็นมนโนกรรมทําไมจึงไม่ผิดศีลเพราะไม่มีกิริยากายเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ไม่มีกิริยาวาจาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจึงไม่ผิดศีลฆ่าสัตว์ไม่ได้เจตนาสัตว์ตายเพราะเราแต่เราไม่ได้เจตนาหลงหยิบของคนอื่นคิดว่าของเราเราก็ไม่ได้เจตนาแล้วคิดว่าเป็นของเรา ไม่ผิดศีลแต่ก็ผิดธรรมนะอ่าเพราะกรรมมันสนองอยู่ไม่มีเจตนาแต่กรรมมันสนองอยู่สัตว์ตายเพราะเราเนี่ยอย่างเคยยกตัวอย่างว่าพิสุเย็บผ้าเนี่ยปลายเข็มมันไปแทงตัวเลนมันตายเนี่ยท่านก็ไม่รู้เลยซ้ําไปว่าเลนมันตายเพราะท่านนะมันกลับมีกรรมมันสนองได้ นั่นเห็นไหมไม่ผิดศีลแต่มันผิดธรรมเจตนาก็ยิ่งเป็นกรรมหนักเป็นกรรมมากเข้าไปอีกไม่เจตนาก็เป็นกรรมเหมือนกันถึงตายกรรมก็สนองให้ตายเหมือนกันให้เราดูที่กรรมการสํารวมในศีลจึงเป็นการสํารวมระมัดระวังเรื่องเวรเรื่องภยัยเรื่องบาปเรื่องกรรม การสํารวมในธรรมจึงเป็นการสํารวมเรื่องภัยเรื่องเวรเรื่องบาปเรื่องกรรมแค่ศินข้อห้าแค่ศินห้าข้อนีย่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราดูเถอะมนุษย์เราถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มนุษย์สิทธธรรมก็ไม่มีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์โดยการทุกคนเนี่ยทุกคนจะต้องมีศินเคร่งครัดอย่างใดอย่างหนึ่ง สินตั้งห้าสศนสินห้านี่แหละจะต้องมีศินเคร่งครัดข้อใดข้อหนึ่งบางคนอาจจะสองข้อบางคนอาจจะสามข้อบางคนอาจจะสี่ข้อบางคนอาจจะห้าข้อเคร่งครัดเราจึงเป็นมนุษย์ขึ้นมาได้บางคนบางคนมีสัจจะไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยไม่รู้ดอกว่ามันเป็นศิน บางคนมีสัจจะไม่ลักทรัพย์ไม่รู้ดอกว่ามันเป็นศีลแต่มันเข้ากันกับศีลเป็นเหตุให้เรามีมนุษ ย, ยธรรมเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่งั้นไม่ได้เป็นมนุษย์ง่ายๆดอกเป็นมนุษย์เนี่ยยากแสนยากท่านจึงเปรียบเหมือนเต่าตาบอดการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยยากยากขนาดไหนท่านเปรียบเทียบเหมือนกับเต่าตาบอดลอยอยู่ในทะเลนั่น เนะต่าตาบอดโคลขึ้นมาจากน้ำมันะเอาคอมาสวมแอกสวมแอกอยู่ในทะเลเนี่ยทำไมมันจึงมาสวมกันไดนะ้ทำไมจะมีโอกาสมาสวมกันได้นะ่ะมันยากขนาดนั้นอนะ่ะอีกคำหนึ่งก็บอกว่างมเข็มในมหาสมุทรนะนงมยังไงจะเห็นอนะ่ะ มันยากขนาดนั้นแหละเกิดเป็นมนุษย์นะมันยากแสนยากเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นมาแล้วท่านจึงว่าเป็นลาบอันประเสริฐเกิดเป็นมนุษย์กรรมส่งมาดีแล้วแต่ไม่ส่งเสริมความเป็นมนุษย์ต่อเนี่ยศีลก็ไม่รักษาทำก็ไม่ปฏิบัติเกิดมาดีแล้วเกิดมาสว่างแล้ว แต่อยู่มืดไม่มีศีลไม่มีธรรมอยู่มืดตายไปแล้วก็มืดเขาเรียกว่ามาสว่างแต่ไปมืดมาตาดีอยู่แบบตาบอดมาตาดีอยู่แบบตาบอดหูหนวกไปแบบมืดแบบทั้งมืดทั้งทั้งมืดทั้งบอดอทั้งมืดทั้งบอดทั้งหนวกมาสว่างไปมืด มาแบบมีปัญญาแผลว่ามาไปแบบอวิชชาคลุมหัวเขาไปเลยให้ความสำคัญของกิเลสตันหาอาสวะลองให้ความสำคัญมันดูคนดีๆนี่แหละมันทำให้มืดบอดไปเลยเลยเป็นคนอันตพานไปเลยทั้งมืดทั้งบอดคนอันตพานอันทะมืดบอดพานก็คือ ปีนเกลียวไปหมดแหละอะไรที่เป็นเรื่องของศีลของธรรมขนบมตะเมียมประเพณีปีนเกลียวไปหมดนั้นเรียกว่าปีนเกลียวไปหมดไม่มีศีลไม่มีธรรมโทษมันก็มาตามนั้นแหละสิ่งวันนี้ท่านต้องพูดต้องบอกต้องสอนกันอยู่อย่างนี้เป็นการมาคุยเขี่ยวเป็นการมาขัดมาเกลาใครร่ำพึงร่ำพันได้สวดมนต์ได้ว่ายพระได้ตั้งใจรักษาศีลได้ตั้งใจประพฤติธรรมได้ตั้งใจปรับ ปฏิบัติธรรมเหมือนกับเราเนี่มาตั้งใจขัดตั้งใจเคลียรกิเลสซึ่งเป็นเหมือนสนิมในหัวใจของเราเนี่ยขัดพอมันเริ่มมืดเข้ามามืดเข้ามาสนิมเกิดขึ้นเข้ามาเกิดเข้ามาเราก็ขัดเข้าไปเอาศีลเราทํานี่นแหละขัดเข้าไปใครขยันขัดคนนั้นก็จะมีความเลื่อมมีความปลายมีความสดมีความใส เหมือนกับสิ่งที่ถูกขัดกันแหละขัดไม้เราเราลองขัดลองดูดิขัดขัดบ่อยๆขัดเนืองๆขัดเป็นประจำเลยเรื่องอแม้แต่ตรงไอ้ม oui ืดๆดำๆนั่นแหละลองขัดสีกันบ่อยๆสสีสีความดำดำมืดดำใสดำมันดำจนเห็นเงาใจของเราถ้าขัดบ่อยๆก็เป็นมันเป็นมันเป็นเงา เห็นเงาตัวเองท่านว่าเห็นเงาตัวเองลงตาท่านว่าเห็นเงาตัวเองเห็นเงาตัวเองคือเห็นกายของตัวเองเห็นใจของตัวเองเห็นความโง่ของตัวเองเห็นความฉลาดของตัวเองเห็นคุณเห็นโทษมีความตื่นเนื้อตื่นตัวในความเป็นอยู่ทาให้เรารู้จักพัฒนาตัวเองให้เพิ่มเพิ่มพูนทวีคูณขึ้น รู้จักหาความสงบให้กับจิตของตัวเองรู้จักหาความสุขให้กับจิตของตัวเองไม่เอาจิตของตัวเองไปปนเปื้อนกับคนอื่นไม่เอากรรมของตัวเองไปปนเปื้อนกับคนอื่นเอาไปสอดกับคนนั้นเอาไปสอดกับคนนี้ไปเพนน่งเล็งคนนั้นเพ่งเล็งคนนี้เพ่งมองคนนั้นเพ่งมองคนนี้ลืมมองตัวเอง ถ้าเราปล่อยให้กิเลสมันอนลวาวะในใจของเราแล้วมันไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์มันไม่มีอย่างนั้นทํายังไงมนุษย์เราถึงจะรู้สึกตัวครูบาอาจารย์ท่านจึงให้ถือให้ประพฤติให้ปฏิบัติให้ขัดให้เกลากันอยู่อย่างนี้แหละกว่าจะรู้สึกตัวกว่าจะตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมาง่ายหรือยากนั่งดูที่เรานั่งชั่วโมงสองชั่วโมงเรานั่นง มีความสงบสงัดภายในนานชักเท่าไหร่จิตมีความสงบมากเท่าไหร่จิตเพิ่มคุณสมบัติให้กับตัวเองมากเท่าไหร่มันสงบง่ายหรือมันสงบยากตอนที่เขาสงบมันอยู่ด้วยการที่เราใช้ความอุตสาหะวิริยะความภาคความเพียรหรือบังเอิญพลอยได้รับความสงบ มันต้องอยู่ด้วยการตั้ง อ, อกตั้งใจทั้งนั้นแหละต้องปล่อยปละละเลยละหลวมให้กับมันปับมันมีมันมีมนมจอมยุดทธจักข้างในหัวใจของเรานัเนี่ะจอมวัตจักรนั่นเจ้าตันหาเนี่ยคอยเล่นงานคอยอาวาสอยู่ข้างในต้องปล่อยเนื้อปล่อยตัวมันด้วยมันแสดงรวดลายอารวาสทันทีอยู่ข้างใน พาไปนึกรักนึกชังนึกโกรดนึกเกลียดนึกวาดมนโนภาพสารพัดอยากให้เป็นไปตามใจหวังหวังเรื่องนั้นหวังเรื่องนี้หวังจะสุขอย่างนั้นหวังจะสุขอย่างนี้มันอารวาดทันทีมันไม่ให้รู้สึกตัวเองนะไม่ให้รู้สึกตัวนี่มันคอยอยู่ข้างในนะตัวเจ้าตัวจอมตัวนี้เก่งมาก ไม่มีโอกาสที่จะเห็นเงามันดอกไม่ต้องพูดถึงตัวมันอ่ะไม่มีโอกาสที่จะเห็นเงามันเลยอ่าถ้าไม่ขัดเกลาวจริงๆไม่ไม่มีโอกาสเห็นเงามันดอกไม่ต้องพูดถึงตัวมันทำไงจะตัวจะเห็นตัวมันคือมันอย่างที่ว่าให้ย้อนมาให้ย้อนมาให้ให้เห็นเจ้าความอยาก ที่มันดีดดิ้ น, อ ย, นอยู่ในหัวใจของเราอันนั้นเป็นตัวเข้ามาันแท้ๆเนี่ยทําไมเราจะเห็นตัวมันไม่ตั้งอกตั้งใจไม่ภากไม่เปลี่ยนจริงๆเงามันก็ไม่เห็นพอจะรู้สึกตัวตามมันว่ามันพาเรานึกเราคิดไปอะไรยังไงบ้างไม่รู้ไม่เห็นแค่เงามันก็ไม่เห็นเไม่ต้องไปพูดถึงตัวมันล่ะ มันให้เราพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งไปข้างหน้าตามที่มันผลักใสไปนั่นแหละตัวมันอยู่ข้างหลังเนี่ยมันผลักใสเราไปข้างหน้าเนี่ยพูดถึงอะไรปั๊บมันส่งไปพูดถึงอะไรปั๊บมันส่งไปมันไม่เคยให้ย้อนมาดูตัวปมตัวเงื่อนที่มันพาเรานึกเราคิดเนี่ยมันไม่เคยให้เราย้อนมาย้อนมาจะเจอตัวหัวมันเนี่ยมันไม่ให้เราย้อนมันส่งเราไปข้างหน้าหมด โอกาสที่เราจะรู้สึกตัวตรงนี้เนะี่ยยากไม่ตั้งอกตั้งใจจริงๆยากแค่จะให้มันสงบสงัดให้อยู่ประเดี๋ยวก็ดาวพอได้รับความสุขได้รับความชุ่มเย็นก็ยังยากมันง่ายหรือมันยากมันรุนแรงหรือมันเบาบางต้องตั้งอ ก, ต, งอกตั้งใจเราไม่ทำบ่อยๆไม่ทำเนืองๆไม่ทำให้มากไม่เจริญให้มาก ไม่อยู่ในท่าทีที่สำรวมระมัดระวังเป็นของมันทั้งหมดทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนนอนก็ละเมอเพราะพกไปตามมันทั้งนั้นไม่มีโอกาสที่จะเป็นตัวของตัวแหละเป็นเรื่องเป็นเนื้อเป็นหนังของกิเลสตกผลึกลงมาเป็นวิบากเป็นของอะไรละ่ะในเมื่อกิเลสมันทำงานผลได้ก็ต้องเป็นของมันที่ท่านเรียกว่าวิบากกรรมวิบากกรรมมันยิ่งเพิ่มพลังมากขึ้น จากห้าเป็นสิบจากสิบเป็นยี่สิบจากยี่สิบเป็นสี่สิบจากร้อยเป็นสองร้อยมันเพิ่มพลังขึ้นเรื่อยเพิ่มพลังขึ้นเรื่อยเพิ่มพลังขึ้นเรื่อยกำลังมันมากแน่นหนาในหัวใจของเรานี่มืดตึบเป็นมิจฉาทิฐิหมดทั้งดวงนั่นใจของสัตว์เป็นใจของสัตว์หมดทั้งดวงไม่ใช่ใจมนุษย์แล้วไม่มีกรอบของศีลของธรรม เข้าไปเกี่ยวข้ อ, ของล่ะขอให้สมอยากขอให้สมอยากขอให้สมอยากไม่เคยย้อนไปดูตัวความอยากนี่จะขอให้สมอยากขอให้สมอยากถ้าสมอยากเป็นอันว่าพอใจชอบใจชอบใจพอใจห้านาทีสิบนาทีหนึ่งวันหนึ่งเดือนประเดี๋ยวประดาเท่านั้นแหละความไม่พอใจก็เริ่มแทรกเข้ามาแล้วความไม่พอใจก็เริ่มแทรกเข้ามาแล้ว อย่างนั้นเรามีสินท่าเรามีครอบครัวมีผัวมีเมียถ้ามีหนึ่งแล้วจะมีสองมีสองจะมีสามตามความอยากมันอยากมีมันอยากเปลี่ยนทุกระยะตามอวาหนักของความอยากมันเพียงพอไหมมันไม่เพียงพอไม่มีความเพียงพอมันอยากมาแล้วมันก็ชินเหมือนของอะไรที่เรามี ทีแรกก็รักก็สงวนก็ถนอมหนักๆเข้าเป็นลูกฟุตบอลอเออเห็นก็ชกก็ตีกันนะนั่นเหรอไหมบางคนถึงกับฆ่ากันนะ่ะดูที่ทาไมเป็นอย่างงั้นนะมันอิ่มมันพอมันเบื่อหนายมันหน่ายแล้วมันหนีหนีเจ้าหนี้ไปหาใหม่หนีเจ้าหนี้ไปหาใหม่ อะไรที่จะนำทุกนําโทษมาให้มันเคยคิดไหมไม่เคยคิดมันไม่พาให้คิดขอให้สมอยากขอให้สมอยาก อ, อยากแล้วบางทีก็ก็พูดอีกสำนวนหนึ่งว่าอยากอยู่อย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากอยู่อย่างนั้นในระหว่างที่ชอบใจอยู่สักหน่อยหนึ่งมีสิ่งไม่ชอบใจมาปัดออกละมาปัดออกก็ผลักออก เบื่อนายชินชาอยากได้ใหม่อันนี้เก่าแล้วอยากได้ใหม่ใช่ไปใช่ไ ป, ยไ ป, ยไปอยากได้ใหม่ใช่ไปใช่ไปอยากได้ใหม่มันพอเป็นไม่ไม่เคยพอเปลี่ยนท่านจึงว่านั่งนึกนั่งคิดนั่งปรุงทั้งวันให้มันพอไม่มีพอไม่มีเมืองพอสิ่งที่จะทําให้ทําให้พอธรรมะตังหากทําให้พอ เพราะเรื่องของกิเลสตันหานั้นมันไม่ใช่อาหารของใจนั่งนึกนั่งคิดนั่งปรุงทั้งวันมันเป็นการปรุงอาหารของกิเลสไม่มีพอเหมือนเอาเชื้อใส่ไฟไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อยิ่งใส่มากเท่าไรก็ยิ่งไหม้ลุกลามใหญ่โตมากเท่านั้นตรงกันข้ามกับไฟตรงกันข้ามกับการตัดกระแสไฟดับไม่ต้องวิ่งตาม วีเจ้าท่านจึงให้ภาวนาให้สงบพอสงบพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเป็นอารมณ์ของธรรมเป็นอาหารของใจทํานานๆเข้าใจก็จะเริ่มได้รับความสงบมันอิ่มมีสติกํากับมีสัมปชัญญะกำกับตื่นตัวโรูอยู่กลายเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารของใจกลายเป็นอาหารของธรรมนําความสุขที่บริสุทธิ์มาให้ สิ่งนี้นำเอานําความสุขที่บริสุทธิ์มาให้หาความสุขได้ด้วยการไม่ต้องวิ่งตามมันตัดกระแสของกิเลสตัณหาออกให้มั น, นึกอยู่กับเรื่องเดียวสิ่งเดียวกลับเป็นมีความสุขกลับได้รับความอิ่มไม่หิวอิ่มก็คือไม่หิวอ่ะมันหิวหมายความว่าไงมันหิวรูปหิวเสียงหิวกลิ่นหิวรสหิวสัมผัส วิ่งตามสิ่งเหล่านั้นแหละทั้งวงีทั้งวันไม่มีอิ่มหิวตลอดไม่มีอิ่มไม่มีพอตกอยู่ภายใต้อำนาจของความหิวเป็นเปรตมันพอที่ไหนเปรตท้องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มเราดูในแง่อุปมาเนะี่ะปากเท่ารูเข็มอะท้องเท่าภูเขามันอิ่มเป็นที่ไหนกินกี่เดือนกี่ปีกี่ชาติมันจะอิ่มไม่อิ่ม นั่นแหละคือทองของตันหามันไม่มีอิ่มไม่มีพอเราไม่พยายามดูมันเราไม่เห็นเราไม่พยายามกํากับดูแลมันมันก็แผลงฤทธ์นี่แหละคือสาเหตุของกองทุกข์ที่มันทับถมในหัวใจของเราสับสนวุ่นวายแสตทุกเดือดดานอยู่นั่นแหละเวลามันเกิดดูที่มันเป็นยังไงในหัวใจของเรา สมภาคสมภูมิความเป็นมนุษย์ไหมที่ว่าเป็นมนุษย์น่ยได้ลาบอันประเสริฐนะเพราะไิ่งเหล่านี้มันมายุแย่ก่อความขุดนะสมภาคสมภูมิความเป็นมนุษย์ไหมไม่สมภาคสมภูมิความเป็นมนุษย์เลยได้ภูมิความเป็นมนุษย์แต่ยังเอาพฤติกรรมของสัตว์มาใช้ ไม่สมภาคสมภูมิความเป็นมนุษย์สินธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับหัวใจของเราทุกการทุกสมัยปราดบัณดิตเห็นความสำคัญขยับเข้ามาหาสินขยับเข้ามาหาธรรมแนบแน่นมั่นคงในหัวใจ ใจิตใจเริ่มสงบใจิตใจเริ่มสงัดใจิตใจเริ่มเห็นโทษใจิตใจเริ่มเห็นไผยถึงสินทิงสินห้ามาถือศินแปดถ้งสินแปดมาถือสินสิบทงสินสิบมาถือศินสองรอยยี่สิบเจ็ดเพิ่มพูนทวีคูณ ล, ละเอียดปนิษขึ้นมาปนีษพนิษขึ้นมา ตั้งใจรักษาศีลตั้งใจประพฤติ ธ, ธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดแนบแน่นกับพระรัตนตรยัยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะพระรัตนตรยัยยังมีผลยังมีอนิสงคอยตอบสนองให้กับหัวใจของผู้ตั้งอกตั้งใจเดินตามประพฤติตามปฏิบัติตามแบบไม่มีการไม่มีเวลาเช่นเดียวกันกาลิโกกาลิโก ทำตอนไหนให้ผลตอนนั้นเพิ่มตอนไหนเพิ่มคูณทวีคูณตอนไหนมีผลเพิ่มตอนนั้นไม่มีการไม่มีเวลาธรรมะพร้อมที่จะเกิดธรรมะพื้นพื้นคือความสงบนี่แหละพร้อมที่จะเกิดไม่มีการไม่มีเวลาอาการลิโกอาการลิโกธรรมะของรุปในเจ้าไม่ประกอบไปด้วยการเอฮิปสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนญโกควรน้อมเข้ามา การปฏิบัติธรรมนั้นต้องน้อมเข้ามาหาจิตนะเอาธรรมเนี่ยน้อมเข้ามาหรือน้อมตัวเองเข้าไปหาธรรมน้อมธรรมเข้ามามาใส่ใจตัวเองน้อมใจตัวเองเข้าไปใส่ธรรมโอปนัจโ ก, โกปั จ, จตังรู้ได้เฉพาะตนเวดิตะโบวินยูหิตวินยูชนวินยูอันวินยูพึงรู้เฉพาะตนมีคุณของคุณของพระธรรมธรรมะของพระเจ้า มีคุณเมียนิสงอย่างนี้อเอาละพอสมควรเกลเวลา